ขอความสุขความเจริญี่มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายถึงทาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะนำเนสนอพระสูตรในอุธานในขุตกะนิกายอุธานแล้วสืบ่อกันมาโดยลำดับวันนี้จะพูดถึงปฏิสันลา น, นสูตร โดยรูปศัพท์จริงๆก็แปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการดิกรินอยู่ในที่สงบของพระพุทธเจ้ามีข้อความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่บุพพารามมันเป็นอารามที่นางวิสาขาสร้างถวายแก่พระองค์โดยการขายเครื่องประดับ ที่ท่านถนชนัยเสรษฐีได้สร้างให้สมัยเมื่อนางได้แต่งงานคือประดับระดันชื่อว่าคือประดับนรามหาประสัก์มีราคามหาศาลมากๆคือตั้ง27สิบเจดโกดก็เกิดเหตุการณ์คราวหนึ่งที่ทาสีของนางได้ไปลืม เครื่องประดับไว้ที่วัดในเชต ว, วันเมื่อนางวิสาขาได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ตอนกลับมาที่บ้านปรากฏว่านางประสีลืมไปนึกออกทีหลังนางวิสาขาก็บอกให้กลับไปเอามาจะมีข้อแม้ว่าถ้าพระนุ์ท่านเก็บไว้ก็อย่าไปรับมา ถือว่าเป็นการถวายให้แก่พราณ น, นิลตัวนี้เป็นเงื่อนไขาทางวินัยประการหนึน่งโดยทางวินัยกําหนดเอาไว้ว่าพระจะจัต้องทองเงินเนี่ยเขาเรียกวัตถุอนามาตคือวัตถุที่พระไม่ควรจับต้องเนยอย่างบาเบาะนี่ก็ป ร, ปรบับบาปไปติดตีไอ้ไม่ใช่ถุนเล็กใจแล้วก็อาจจะปราบบติมากกว่านั้น วัตถุอนามาตของพระมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่ตามปกติเราก็รู้กันในหมู่พระแม้แต่เครื่องประดับของสตรีเนี่ยที่จริงพระจับไม่ได้ก็เป็นวัตถุอนามาตเหมือนกันคือจับต้องไม่ได้แต่กวินัยก็เปิดโอกาสให้อีกอย่างหนึ่งหรือถ้าหากว่า ชาวบ้านเขาไปลืมทรัพย์สินเงินทองเอเป็นแหวนเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรก็ช่า ง, งนะพระจะต้องเก็บไว้ให้เจ้าของถ้าไม่เก็บก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะของเกิดไปหายในวัดเนี่ยพระจะต้องถูกสงสัยเพราะแต่ก่อนไม่มีสิทวัดนะวัดก็อยู่กันเฉพาะพระเนิน แล้วก็ทายกทายกาก็เข้ามาวัดเป็นครั้งเป็นคราวแล้วคนที่เรียกว่ากินเดนคือคนที่มาใส่รับประทานอาหารจากพระสงฆ์เนี่ยก็มีเป็นครั้งเป็นคราวคนใจวินัยขคเ น, นี้ยทาให้พระอานนท์ไปเก็บไว้เพื่อไปกราบทูลหลวงพุทธเจ้าก่อนหลวพุทธเจ้าก็รับสั่งให้เก็บไว้ให้เขา แต่เมื่อนางทาสีไปรู้เช่นนั้นก็ไม่ยอมรับไปพรนนท์ก็บอกว่าคือถาวายท่านท่านก็ไม่รู้จะทำอะไรหรอกในสุดนาวิสาขาก็รับไปโดยตั้งใจว่าจะขายเพื่อนำเงินมาธนุบำรุงพระพุทธศาสนา แล้วก็จริงกำลับบงซื้อเนี่ยไม่มีใครที่มีกำลับบงซื้อของได้ทีเดียวทั้งยี่สิบเจ็ดโกรธมันต้องเป็นชั้นระดับมหาเศรษฐีจริงๆในสุดนางก็ต้องตัดสินใจซื้อเองและทรัพย์ส่วนนั้นนหะสร้างบุพารามถวายพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระสงค์ที่มาจากเจตุรชิตซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดธรรมพุทธศรราสนา เป็นการสร้างอุทิศแก่พระพุทธศาสนาไม่ได้เจาะจงให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นการเฉพือตัวนี้กลายเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งก็ต้องวิเคราะห์กันดูนะฮะเพราะพระราชบัญญัติในการต่อมากำหนดให้วัดเนี่ยเจ้าวาดเนี่ยเป็นเจ้าของวัดเรเรียกว่าอาธิการวัดแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย มีสักมีสิทธิในตำแหน่งของข้าราชการเออทำให้วัดเหล่านั้นคือถ้าหากว่าได้สมผ่านเก่งๆนะวัดไปเจริญก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งทีเดียวแต่ถ้าหากว่าสมผ่านไม่มีคุณภาพแล้วท่านก็อยู่โดยเงื่อนไขที่ถูกบังคับตามกฎหมายเนี่ยคือหมายความมาเป็นแล้วถอดไม่ได้ แล้วก็อยู่มาอย่างนั้นอวัดก็ทรุดโทรมไปความเป็นสาธารณาสถานความเป็นาศาสนาศาสนสถานและความเป็นบุญยสถานเนี่ยมันก็เสือ่อมหม่คขังเพราะกิจกรรมต่างๆมันจะไม่เกิดเป็นประโยชน์ื่อคูลแก่ชาวบ้านยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ ที่มีการเชิญชวนชักชวนประชาชนให้ร่วมบริจาคทรัพย์สินเงินทอ ง, งต่างๆเนี่ยเพื่อไปช่วยทางภักได้ไ็ได้ข่าวทางวิทยุววัดพระรามเก้าจะจัดกิจกรรมส่วนนี้ขึ้นโดยท่านเจ้าวาดแล้วก็จะคุมศรียา น, นาสพลเจ้าวาดกับเจ้าคุณเทพยานิสิต ท, ที่จริงก็ไปจากวัดรวรนี่แหละ แต่ในฐานะเป็นสมผานนี่ก็ตัดสินใจได้วัดดีมันตัดสินใจไม่ได้หรือถ้าหากว่าสมผานไม่ตัดสินใจเนี่ยคนดีไม่ตัดสินใจไมได้แล้วก็ทำให้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าคือเยังยังเกิดมีความคิดเนี่ยว่าพระรามหลวงทั้งหลายเนี่ยมันน่าจะไปยึดถือหลักการเดิม หรือใช้สังคมติในการโหวดกันของท่านส่งก็เลือกจะว่าเป็นเทอมเป็นเทอ ม, เ ป, เ, ทอมเป็นเทอมไปเลยแต่ถ้าท่านเก่งจริงๆสามารถจริงๆหาตัวแทนไม่ได้ก็ต่อไปได้เรื่อยๆก็ไม่ได้อดา้กันแต่ถ้ามีคนดีคนเด่นที่มีความสามารถมีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็มีวัยที่เหมาะควรแก่จาการทํางานก็น่าจะเปลี่ยนแปลงโดยสังคมติได้ การเสนอในแนวนี้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องพูดยากมันต้องอาศัยความคิดที่เป็นสาธารณะคือถ้าน้ําใจไม่เป็นสาธารณะน้ําใจไม่ได้คิดถึงพระพุทธศาสนาที่เป็นองค์รวมเนี่ยมันจะทําอะไรได้ยากความคิดเหล่านี้มาก็เคยเสนอสองเรื่องนะข้อหนึ่งที่มีการ ประกาศเชิญชวนชักชวนให้มีการประดิษฐานพระพุทธ ร, รูปให้เด็กได้ไหว้สักาาสาการะตามสถาบันการศึกษาต่างๆคือมามองอีกแบบหนึ่งนะฮะคือถือว่าพระพุทธ ร, รูปเนี่ยเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาประดิษฐานที่ไหนก็ได้ให้อยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วกันมันไม่ไปใช่เป็นสมบัติของวัดเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ก็าทำนองคล้ายๆกับตอนสถาปนากรุงรันตนโกสินทร์เนี่ยพระประธานใหญ่ๆ ใ, ใ, ในวัดหลวงในกรุงเทพเนี่ยเอามาจากภาคเหนือไม่น้อยกว่าสองพันองค์นั้นก็แสดงให้เห็นว่าโดยความรู้สึกคิดของคนยุคก่อนยุคมีพระาจบิญญัญิเนี่ยเราถือว่าพุทธรูปเป็นสมบัติของมหธศาสนา อยในวัดวอนยัมีเยอะนะฮะเป็นวัดเป็นพุทธรูปที่นํามาจากอื่นทนะั้นอย่างพระพระหลวงพ่อโตเนี่ยก็ามาจากเพชรบุรีปุริชินศรีก็มาจากพิจิตรโลกพระาศาสดาก็มาจากพิจิตรโลกพระสยาก็มาจากพิจิตรโลกพระเท่นพระลอดพระพุทธบาทก็มาจากพิจิตรโลก เยอะนะฮะคือถ้าไปศึกษาประวัติแล้วปรากฏออกมาจากอื่นแม้แต่พระพิรีพินัตเองเนี่ยก็มาจากอื่นจะเป็นการมองที่จริงแล้วก็ยุติยุติไดยหลักขอนะงนั้นัวอย่างนึ่งก็มันเกิดการมองว่าพระรามหลวงที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็มีประชาชนเข้าถวายสักการะ สนับสนุนโดยจะตกปัจจัยสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเงินธนบัมบุงีเป็นจํำนวนมากมันไปกระจุกอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งวัดที่มีโบราณสถานนะแต่โบราณสถานมันเป็นสมบัติของพระศาสนามนไม่ใช่สมบัติของวัดนั้นเพรา ะ, ะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันน่าจะเอามาบริหารพระศาสนาหรือแทนที่จะ ไปเก็บไว้เฉพาะวัดใดวัดหนึ่งจะมีปัญหาวัดดังๆจะมีปัญหาเรื่องเงินอยู่บ่อยๆก็วันนั้นก็พูดกับ น, นักกฎหมายใหญ่ที่จะก็นั่งอยู่หลายคนถ้ามีชัยหรือชุพันที่จริงมาไปอ้างอ้างถึงถึงหลักการคิดเนี่ยหลักการคิดแล้วก็ไปอ้างความคิดของพรนมาตมาคาันทีกับสวนเอทนเนีย ที่บอกว่าลูกอินเดียควรตั้งคำถามว่าเราจะให้อะไรก่อินเดียแทนที่จะถามว่าอินเดียจะให้อะไรแก่เราแล้ว น, นายจอนเอฟพิมดีก็เอาไปใช้ในทางองเดียวกันเปลี่ยนแต่เป็นอเมริกาสต่จากความคิดตัวนี้ที่มาเสนอเนี่ยรอะว่าน่าจะออกเป็นกฎหมายคุณมีชัยริชพันธ์เขาก็บอก ก็บอกว่าคิดอย่างเนี้สองคนนั้นก็ถูกยิงตายทั้งคู่แล้นี่คือคือความคิดอะไรเนี่ยที่จริงถ้ามันไปถูกต้องตามหลักการเนี่ยที่นี่เป็นเป็นหลักการนั่งเดิมนะครเป็นหลักการนั่งเดิมจริงๆวะก็เป็นแอนเพระวัาวัดเหล่าเนี้ยมันเป็นวัดที่สร้างเพื่อส่งที่มาจากจัตุรทิศ พระเจ้าเองก็มีพระประสงค์จะฉลองศรัทธาของตระกูลทั้งสองคือท่านอนาตบินิกาเศรษฐีก็สร้างพระเชตวันถวายไว้ก่อนหน้านั้นนาวิสาขาก็สร้างบุพารามถวายพระพุทธเจ้าก็เสด็จเห็นว่าประทับอยู่ที่พระเชตวันเสด็จเอา บ, บินทบาทแล้วก็อาจจะเลยมาฉันที่วัดบุพารามหรือประทับที่วัดบุพารามก็ เราเสด็จมาที่พระพเชตวันในตอนบ่ายเราแสดงว่าก็ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่เราทำให้ตัวเลขนี่บอกว่าวิจ้าประทับอยู่ที่สาวัตถีนี่สิบยี่สิบเจ็ดปียี่สิบห้าปีแล้วก็อยู่ที่พระเชตวันเนี่ยสิบเก้าปีแล้วอยู่ที่บุพารามเนี่ยหกปีแต่ย ว, ว่าคำว่าปีในที่นี้หมายเฉพาะขันษานะ คือพะออกพรรษาแล้วพระเจ้าจะเสด็จจะริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการมีพระสงฆ์ติดตามไปเป็นปกติทาหน้าที่ของโล ก, ก น, นาฏะคือผู้เป็นผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกเพราะเมื่อพระพเจ้าเสด็จประทับที่บุพารามขอ ง, งาน า, า, างสักขาพอตกตอนเย็นก็เสด็จ ไปอยู่ในที่เร้นก็บอกว่าประทับนั่งภายใต้ซุ้มประตูลำดับซุ้มประตูแต่ซุ้มประตูนี่เป็ น, เ, ปนเรื่องติดตามสังเกตเราพบบ่อยอภิชิตตะวันก็มีรั้วรอบขอบจิดบุพารามก็มีลักษณะอย่างนัง้นตรงนี้ก็มีลักษณะอย่างนัง้นพะเราเจอเหตุการณ์ที่ซุ้มประตูนี่มันมีอยู่บ่อยเการที่วัดมีกำแพงมีซุ้มประตูเนี่ย รืว่าเรคขอบคิตก็เป็นการสืบต่อมาตั้งแต่สมัยโบราณเพระวัตินั้นเป็นสถานที่รื่นรมมั่ถ้าพุกพล่านบุ่นวายแล้วก็ยุ่งเหาความสงบไม่ได้ก็เลยเรียกว่าอารามแปลว่าเป็นที่รื่นรมแห่งใจจะทาจิตใจของบุคคลให้รื่นรมอย่างที่เคยยกตัวอย่างโครงในนิราชนรินทร์ที่บอกไว้ เราเห็นเป็นความสะอาดเป็นความสงบแล้วเป็นความสว่างคือโปร่ ง, รงไม่บีบกดไม่รู้สึกว่าแน่นอย่างวัดในปัจจุบันในที่จริงมันแน่นวันก่อนก็ไปให้หมอก็ตรวจร่างกายพอรู้สึกเป็นหวัดแล้วก็คอก็แห้ง ตาก็อับเสบหมอก็บอกว่าแพ้ฝุ่นแพ้อากาศของบางลาพูบอกว่าออกไปนอนต่างจังหวัดสองสวันก็หายทีนี้คือเราเห็นว่าบรรยากาศในที่มันเปลี่ยนเราจะมองในแนวมารามจะน่ารื่นรมย์แตนั้นก็คงจะยากแล้วก็น่าจะจริงนะครับเพราะว่ามาเป็นโรค เนี่ยบ่อยมากคือคอแห้งแห้งปากเลยมันคือแต่ก็ตาก็ไปด้วยนะพอพอเกิดอาการหวัดกระตาก็ไปด้วยก็เคยสังเกตุตั้งกันเราบางทีเราไปต่างจังหวัดไปอยู่ครึ่งวันเนี่ยกลับมาเราโกง่ง แ, แสดงว่าอากาศในเรื่องจากไม่ค่อยดีแถวบางลําพูส่วนอื่นก็คงจะเป็นํานองเดีวยวกันนะ วิการหลีกเลนเนลักษณะอย่างนี้ แ, แสดงว่าคนต้องไม่ฟุ้ง่านน่ยเรานึกภาพว่ามาอยู่ที่ใกล้ประตูเนี่ยประทับอยู่ภายนอกซุ้มประตูแล้วแสดงว่านอกกำแพงวัดแลวนอกขนาดไหนเนี่ยก็ไม่ได้บอกไว้นะทีนี้พระเจ้าปเนสนิโกศลก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งที่ประทับ ไหวบังคมเสร็จแล้วก็นั่งอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็ทำใหเรียนบรรยากาศอย่างหนึ่งว่าความความคุ้นเคยความอบอุ่นนะความเป็นกันเองระหว่างพระพุทธเจ้า ก, กับพระเจ้าประเนรสนในโกศลเนี่ยเพราะว่ามีพระชนม์พรรษาเท่ากันก็แสดงว่าคงเป็นรู้จักกันตั้งแต่สมัยเป็นราชกุมารรอพระเจ้าปเนสนในโกศลท่านก็ไปศึกษาที่ตักกศิลาเหมือนกัน ร้อมด้วยมาลิแห่งแคว้นวัชีนะฮะแล้วก็ปันทุละแห่งแฟน้นแห่งเมืองกุสิณาราบเป็นรุ่นราวขาเดียวกับพระพุทธเจ้าทีนี้ในขณะที่นั่งนั่งคุยอยู่กับพระพุทธเจ้ามีนักบวชประเภทต่างๆพวกละเจ็ดคนเจ็ดคนเจ็ดคนนะฮะ เขาบอกวายชะดินเจ็ดคนมิครณเจ็ดคนอเจลกเจ็ดคนเอกษาดกเจ็ดคนปริพาชกเจ็ดคนนักบวชเหล่านี้พอเราเห็นเออเขาแยกประเภทนะโายชะดินเนี่ยก็คือพวกกูราณนชะดินน่ะพวกนี้ก็ใช้วิธีการบูชาไฟแลธรมารักกายโดยการ ขนทรายนะฮะขนทรายมากองแล้วก็ไปแช่น้ําแล้วก็มาพิงไฟนะแบบโบราณเช่นนินตัวนี้เราก็ไปเจอของท่านอาคิทัตปุโรหิตก็มีลักษณะแบบนี้อคิทัตปุโรหิตนี่เป็นปุโรหิตของพ่อพระเจ้าประเสษมิโกศลของพระเจ้ามาหาโกศลแล้วก็อาจเจนลบนิครณเนี่ยก็คือพวกเนี่ยพวกท่านศาลาเชเนี่ย นี่คนแปลว่าปราศจากเครื่องร้อยลับผูกนุ่มลมผงฟ้าเวลานี้ก็มีสองนิกายเป็นนิกายที่คำพรกับเสวยตามพอรอาจรเจลกเป็นนักบวชที่ดูเมืนจะแต่งตัวผ้าสองผืนคือนุ่งผืนหนึ่งแล้วก็กผ้าด้าบผืนหนึ่งเอกระสาดกเนี่ยมีผ้าผืนเดียวมีพ้านุ่มผืนเดียว แดกกระาผ้านุ่งนะฮะเอกะภาแสดียวคืนเดียวแล้วก็ปริพายโชคเนี่ยเป็นนักบวชที่แต่งชุดขาวบรรดานักบวชเราเนี้ยที่จริงพวกปริพายโชคเนี่ยทุกคนค่อนข้างจะพูดง่ายนะฮะกับบวกเชดินเนี่ยพูดพูดกันง่ายเอาลักษณะค่อนข้างแปลกท่านบอกว่ามีขนรักแร้ยาวแล้วก็เล็บยาวหาบริขารหลายอย่างเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค พระเจ้าปเสนิโกศนได้เห็นพวกนักบวชเหล่านั้นแล้วก็ได้ลุกขึ้นจากอาสนะจะทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้วก็ทรงคุกพระชานุมณฑลเบื้องขวาลงที่แผ่นดินแล้วก็ทรงประนมอัญชลีไปทางนักบวชทั้งเจ็ดประเภทเนี่ยเจ็ดเจ็ดค น, นก็ประกาศนะ ประกาศว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าคือพระเจ้าปเสนีโกศลข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าคือพระเจ้าปเสนีโกศลข้าแต่พระองค์ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าคือพระเจ้าปเสนีโกศลแล้วก็พอกล่าวเสร็จแล้วท่านก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแดีวประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านเหล่านั้นเป็นคนหนึ่งในจำนวนพระอระหันต์หรือจำนวนท่านผู้บรรลุอรหันตมรรมในโลกก็เป็นการกราบทูลถามกึ่งกึ่งบอกเล่านะฮะคือถามกึ่งบอกเล่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงจริงทรงรู้โดยพระญาณ น, นะ ว่าการตามความจริงแล้วก็วกทั้งหมดนี่เป็นจารชนทั้งนั้นเป็นจารชนที่ปลอมกลัวเป็นนักบวชไปสืบข่าวสารของเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งหลาย น, นาะเราเห็นว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงของพระเจ้าปรเสนมโกศลก็เช่นอะไรล่ะเช่นราชครอนะเช่นกบิลพัฒน์เช่นเทวทหะนช่นพวกแคว้นวัดชี นะเป็นดินแดนที่ใกล้เคียงกันทีนี้ปัญหาสำคัญว่าทำไมท่านจึงต้องแสดงอาการอย่างนี้เพราะอะไรเพราะาโดยหลักการแล้วเนี่ยหลักการที่ถ้าเรานั่งอยู่กับพระพุทธเจ้านี่นะเรายกสแสดงอาการตอรับใครไม่ได้แม้คล้ายๆกับเรา นั่งเฝ้าประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่นี่ ใ, ใครจะมาก็ตามเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปลุกแสดงความต้อนรับถ้าจะต้อนรับได้ก็เวลาพระสงฆ์มาแล้วนี่ถ้าถ้าราชการผู้ใหญ่ใหญ่โตยางไงก็ตามไปลุกต้อนรับนี่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทำเช่นนั้นแสดงว่าเราไม่เคารพต่อพระพุทธเจ้า หลักการเหล่านี้ที่จริงเป็นหลักการเหลั ก, การที่ในเวทบงชาวบ้านที่ไม่เคยผ่านการบทเรียนมาหรือไม่ได้รับ ก, การฝึกบรโอรมาอาจจะไม่รู้เวลา ก, การเหล่านี้มันก็มีอยู่ในเช่นสมมติว่าเรานั่งอยู่กับพระเทระแล้วก็มีพระเทระอื่นซึ่งมีอุโสน้อยกว่าหรือมีสถานะน้อยกว่าเข้ามาในที่นั้นเนี่ยเราไปลุกต้อนรับไม่ได้ แต่ทีนี้มันเป็นแฟชั่นไปแล้วก็ก็นาก่าเกลียดเอามาก็เคยไปโดนคราวหนึ่งกอไปที่ในวังน่ะนะก็นั่งรอพอดีเราก็นั่งรอบนเก้าอี้ยังยังไม่เข้าที่สมเด็จพระสังฆราชวระราบพิษนเนี่ยสด็จามาไม่รู้ขึ้นน่ะนั่งเฉย สมเด็จท่านท่านก็มองไปแล้วก็ท่านเห็นพระที่ลุกขึ้นไหวเนี่ยท่านไม่พอไปไทยแล้วสะบัดก็พักไปด้านนี้จะมาก็ก็นั่งอย่างนั้นนะคือหมายความม่าตริงพระผู้ใหญ่เหล่านั้นท่านรู้แต่ท่านก็ติดจารีตกันท่านนะ่ะทีนี้ถ้าสายตาชาวบ้านเราเสียนะฮะอันนี้คือคือขนทมทำเนียมประเพณีว่านธรรมต่างๆเนี่ยมันชี้นี่ เราทำถูกเนี่ยกลายเป็นผิดก็ได้เพราะคนไม่รู้ความจริงว่าหลักการหรือว่าที่ถูกต้องนี่คืออะไรในกรณีเหล่านี้ยพระเจ้าประเนสนโกศลเองนี่แหละเคยไปเจอกับฉัตตาปานิบาสกท่านนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันฉัตตาปานิบาสนุนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าปเนาสนโกศลเสด็จฉัตตาปานินั่งเฉย พอมาวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าประเสนีโกศลรู้สึกไม่พอพใะนะพอมาวันหนึ่งเจตตาปานิเดินผ่านราชวังรับสั่งให้หมาไปเรียกมาให้หมาเล็กไปเรียกหมาเจาตตาปานิก็ถวายบังคมเรียบร้อยอรับสั่งทํานองค่อนข้างแขะนิดหน่อยบงเอา้ามีเธอเพิ่งรู้ว่าฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินวันนี้เองอะเจตตาปานิก็บอกว่าก็รู้มานานแล้ว เอวันก่อนเนี่ยเธอพบเราในสำนักพระพุทธเจ้าทำไมไม่ทักไม่ถวายบังคมเมื่อตอนนั้นมันผิดการข้าพระองค์นั่งอยู่ในสำนักของพระหมหาจั ก, กรพรรดิพระเจ้าประเทศสราดเด็จมาไปตอนรับเจ้าประเทศสราชก็แสดงไม่เคารพต่อพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าประสเส้นิีก่กศลก็ชิดฉชมแล้วก็ต้องการที่จะให้จตตปานิอุปสมุท่ย มาชี้อสอนธรรมะให้แก่พนางมาริกาพนางวสพัคติยาตอนนั้นก็ได้นางวสพัคติยาไปแล้วแต่ชตาติปัจนี้บอกว่าไม่สมควรคือเอาชาวบ้านมาอยู่ในรัวน้วในวังเนไม่สมควรคือถ้าจะให้สอนจริงก็ควรจะนิมนต์พระแล้วก็เป็นเหตุให้พระเจ้าประเสริฐนิโคสนได้มานิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปสอนแต่พรพุทธเจ้าก็หมอบให้เป็นภาระของพระานุน แล้วก็เรื่องนี้ก็เล่าไปยาวอ่ะทีนี้ยุ่งๆมือกันนะคือมันเป็นเหตุการณ์ในเชื้อโยงก็ไปสู่เหตุการณ์ต่างๆอีกเป็นมาแต่นี้เกิจุดๆประเด็นประเด็นเนี่ยคือปัญหาตรงนี้มันมีลักษณะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเมธะ ก, กะคือแพะมันชนกันโดยความเราสังเกตนะฮะว่าถ้าพระพุทธเจ้าไปรับสั่ง ถ้าพระเจ้าปเสนีโกสลไม่แสดงความคารวะต่อพวกนักบวชร้อมเหล่านั้นนะทั้งๆที่เป็นรู้ว่าเป็นการชนก็ทําให้คนเหล่านั้นจะสูญเสียความพักดีว่าพระราชาไม่ให้เกียรติเราแม้อยู่ในเพศของนักบวชถึงจะปลอมรู้ไม่ปลอมก็ตามไอ้ตอนนี้มันก็อยู่ในเพศนักบวชพระราชากะน่าจให้เกียรติบ้ง มัก็เพือนน่อถนอมนิจใจคนเหลนี้พระราชาก็แสดงการให้เกียรติแจะเป็นการให้เกียรติต่อพระพักร์พระพุทธเจ้าทีนี้พอมากราบทูลพระพุทธเจ้าเนี่ยคูณเลยเห็นว่ามันเกิดมันเกิดมันเกิดชนกันเลยว่าถ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งตามความจริงเนี่ยแล้วใครพิสูจน์ได้เขาก็แต่งเครื่องแบบนักบวชอะ่รนั้นคนอื่นที่เขาได้ยินเนี่ย เขาจะตําหนิพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าไปยอมรับว่าพูดเหล่านี้เป็นนักบวชเนี่ยก็แสดงพระพเจ้าไม่จะสับพันอยู่อย่างนั้นมันเกิดแพชชนกันลักษณะปัญหาในแนวนี้จะเจอบ่อยมันเกิดเป็นแพชชนกันเขาเรียกเมรุทกะปัญหาคือปัญหาแพชมันเกิดชนกัน วิธีการของพระเจ้าคือไม่ออกไปทั้งสองทางไม่แสดงว่าพระองค์รู้ว่าใครเป็นใครแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นนักบวชหรือเป็นพระหันอย่างที่พระเจ้าประสิทธิ์มิโคสได้กราบทูลและวกก็มีวิธีการนะัวิธีการเหล่านี้ที่จริงจะมีอยู่เยอะถ้ากว่าทั้งฟังแลอ่านมิได้ปัญหาเราจะเจอปัญหาในแนวนี้เยอะแล้วก็ เรื่องอภัยราชกุมารสูตเนี่ยมันก็แนวเม็นอากาศปัญห า, าแนวแผ่มันชนกันือถ้าเราพูดจำนวนปัจจุบันก็เรีย ก, กว่าเป็นปจวนะเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ทสูงส่งโดดเด่นนะแล้วในที่สุดพระเจ้าเปรเตในกสน่นก็ต้องยอมเสียบพรจ้ารับสั่งไปเรื่องอื่นไป แัะสั่งว่าหมาปูพิษหมาปพิษเป็นฤหัสบริโภคกามส่งครองคาวาสคับขั้งด้วยพระโอรสพระมเหสีส่งใช้สอยผ้าแคนกาสีและจันทรงทักส่งดอกไม้ของหอมเครื่องประเทองผิวส่งยินดีเงินและทองยากที่จะทรงทราบได้ว่าท่านเหล่านี้เป็นพระหันหรือว่าท่านเหล่านี้บรรลุอรหัตธัรม คราวนี้ทางฝั่งเราสังเกตว่าการจะเข้าถึงเรื่องที่มันลึกซึ้งเนี่ยสภาพจิตต้องไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสแต่ว่าคนที่ที่มันอยู่ในแวดวงตัวกระตุ้นราคะาโลภโทสะโมหะนี่มันแวดวงเขาเรียกว่าเครือหันผู้ครองเรือเนี่ยไอ้อาบยัดเยียดอยู่ด้วยอารมณ์ทั้งหลายที่เป็น เป็นขั้นสุดด่างเขาเรียกเป็นวิสภาคอารมณ์เือรมที่เป็นขั้นสุด ก, กระตุ้นให้เกิดราคะบ้างกระตุ้นให้เกิดโลภะบ้างกระตุ้นให้เกิดโทสะบ้างกระตุ้นให้เกิดโมหะบ้างมันจะคิดอัดอะไรที่ลึกซึ้งไม่ได้แล้วแล้วว่าการตามความเป็นจริงวุธิธภาวะของคนที่จะไปวิจัยใครว่าเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรเนี่ยมันต้องอยู่ระดับเดียวกัน หมายความพระหันต้องรู้ว่าใครเป็นพระหันหรือไม่เป็นพระหารไม่ใช่พระโสดาบันจะไปรู้ว่าทระนุเนี่ยเป็นพระหันเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าพระหันได้แต่งตั้งเยอะเลยลูกศิษย์แต่งตั้งอาจารย์ตัวเองเป็นพระหันแล้วก็มีกระบวนการนิธีการจัดการาหารกินกันหลอกลวงชาวบ้านมีเกจิอาจารย์เกิดขึ้นดังระเบิดเพื่องตั้งนะฮะสร้างหนังสือขึ้นมาเป็นร้อยๆยรูปนะ คือบางองค์เราก็รู้จักก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าทา้วิธีการเหล่านี้มันถ้าเราเทียบเคียงเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับสังฆทานเนี่ยที่เคยพูดเรื่องสังฆทานสังฆทานกระป๋องเหลืองนลยนะคือคนอยู่ในแวดวงของการทําบุญบริการเรื่องบุญแต่ว่าบริการด้วยจิตที่เป็นบาป จะทําด้วยความโลภแล้วก็หลอกลวงนะฮะเพื่อให้ตัวเองได้มากเป็นวิธีขายบุญแต่ว่าตัวเองซื้อด้วยบาปสิ่งที่ตัวเองได้คือบาปแทนที่จะได้บุญเป็นเรื่องที่น่าสลดเพราะแนเหลักนี้พระเจ้าจึงวางหลักแล้วก็หลักเหล่านี้เป็นหลักสําคัญมากนะต้องใช้ในทุกกรณีเป็นระบบการวิิจัยสิ่งที่เราสัมผัส โดยตามปกติแล้วเรามักใช้อารมณ์อย่างในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภักได้เราเห็นว่าเมื่อโรมุตุนิยมวิทยาในส่วนต่างๆเนี่ยเขายืนยันว่ามันจะไม่มีแรงเท่านี้อีกแล้ว เราลองสังเกตเราติดตามดูเนี่ยวันที่สามสิบวันที่ยี่สิบเก้าวันที่สามสิบยังมีการเปิดไซเรนรวงนะการเปิดหวอรวงการสร้างข่าวรวงนโดยวิธีการต่างๆแล้วเราก็ไปเชื่อนะเจอปัญหาว่าเขารวงเนี่ยเราคงไปห้ามเขาไม่ได้ล่ะ พราในสังคมใดก็ตามมีคนดีมันก็มีคนเลวแล้ว่า ก, การวินิจฉัยเนี่ยมันเป็นภาระาของเราที่จะต้องวินิจฉัยมีความสมเหตุสมผลอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จำเป็นต้องวิ่งหรือไม่จำเป็นต้องวิ่งนี่แต่คนก็อยู่ในสภาพขวัญกระเจิงความครัวมันอย่างรากลึกอยู่ก็วินิจฉัยตัดสินไปอย่างนั้น ทีนี้คนที่ไม่เจอสภาพเหล่านี้อยู่ก่อนเนี่ยไปอยู่นั้นเขาก็วินงจ่ายไ ด, ได้แล้วก็ลักษณะเหล่าเนี้ยเราเห็นว่าทําให้งานช้าไปเยอะการบรรเทาสาธ า, ารณภัยไม่กล้าออกไปเพราะมีข่าวจะมาอีกแล้วจะมาอีกแล้วจะมาอีกแล้วเกิดที่น้นอีกแล้วเกิดที่นี่อีกแล้วมันเกิดง่ายเกินไปหน่อยทีนี้ก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนทั้งหมดทต้องถื อ, อว่าเป็นบทเรียนว่า ความรู้เนี่ยเป็นฐานที่สําคัญมากที่ยุ่งเนี่ยคือคนไม่รู้แล้วก็มาชี้ถ้าเรารู้เราชี้ตามที่เรารู้ปัญหามันจะไม่เกิดแล้วที่ปัญหาเกิดเนี่ยคือว่าคนไม่รู้แล้วก็ชี้คนในโลกยังมีอยู่สี่ประเภทนะท่านฟังบอกให้เกตว่าผู้หนึ่งไม่รู้แล้วก็ไม่ชี้ก็ดีแล้วนะเฉยเฉยก็ดีแล้ว ตัวที่สองเนี่ยไม่รู้แล้วก็ชีอันนี้ยุคมากๆยุคมากๆอนะย่งางวันก่อนมีคนก็โทรศัพท์มาในรายการธรรมะรุ่นสมัยของคุณทองขาวรู้สึกมันสลดใจนะฮะือเขาอ้างว่าคนเราเนี่ยเป็นทมปานาทิบาทำฆ่าสัตว์เป็นผลบาปกรรมสนองอะไรแ่ไหพูดไป ม, มนงงันไม่ได้มันพิสูจน์อย่างนั้นไม่ได้รู้ได้ยังไงอะ่ะมันไม่ใช่ตายเฉพาะคือริมทะเลเนี่ยไม่ได้หมายความคนทุกคนต้องทำาธาราริบาาแต่สาธารณภัยที่เกิดริมทะเลเดี๋ยวมันเกิดได้แก่คนทุกคนเนะี่ยผกแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติในี่ใครก็ได้วัดก็ได้พังเป็นวัดวัดเลยไะ่แปลกอะไรหรอทีนี้มันไม่ใช่เวลาจะพูด เหตุการณ์ในกรณีนี้เราใช้เมตตาใช้กรุณาให้เป็นหลักเลยแล้วถ้าขอรอดพ้นเราก็มุทิตาเขาแต่ถ้าสุดวิสัยทําอะไรไม่ได้เลยเขาก็เหมีอนเป็นไปแล้วเราก็ทําใจเป็นเบิกขาใ่ไม่จะอยู่ด้วยผง ม, มิหารแทนที่จะใจไปสร้างบาปหรือเราพูดอย่างนั้นได้แต่ว่ารับผิดชอบไม่ได้ก็ราะอะไรเพราะว่า ยังฝรั่งเนี่ยที่เขาตายไปทั้งสองพันกว่าแล้วทำไงเขาไม่ได้มีอาชีพทางประมงแล้วคนไทยเป็นจำนวนมากที่ไม่มีอาชีพทางประมงมันไม่ใช่เหตุผลเดียวมาพูดผลหลักการตรงนี้พระพุทธเจ้าถึงส่งสอนหลักเอาไว้ว่าลูกกอดมารพพิษศีลพึงทราบได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน และสีนั้นพึงทราบได้โดยการนานไม่ใช่โดยการนิดหน่อยเมื่อมนานัิการเท่านั้นพึงทราบได้ถ้าไมมนัติการจะไม่จะไม่ไมพึงทราบผู้มีเกินปัญญาเท่า น, นั้นจะทราบได้ผู้มีปัญญาสามี่จะทราบไม่ได้คือปัญญาน้อยจะทราบไม่ได้เพราะอะไรเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วมนุษย์เนี่ยคิดได้อย่างหนึ่งทําได้อย่างหนึ่งแล้วพูดอย่างหนึ่ง มนเป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากที่สุดอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในโลกอนิจติว่ามหาสมุทรสุดทึกล้นคอนานาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้ขอสูงอัดวัดว่ากําหนดจิตมนุษย์นั้นซ้ายยากแท้อย่างจริมนุษย์ในขณะที่มีสีมีการสำรวมระวังเนี่ยมนุษย์สำรวมได้ปฏิบัติได้ เราจะลืมลว่าภายในใจมนุษย์มีโอ้อวดมีแข็งดีมีเจ้าเล่มีมารยามีเสแสร้งเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ในนันั้นการเรามีเรื่องเสือจำศีลเรามีเรื่องนกยางจำศีลเรามีฤษีกินเหี้ยนะไม่ใช่คำหยาบหรอก เป็นสาดกที่พระเจ้าเล่าเรามีพระอาหารตุม่มเรามีพระอาหารยันใส่เรามีอะไรเยอะมากมาแล้วจากหลักคนนี้ถ้าหากว่าเราติดตามถึงา ก, การจะลู ก, กศิษย์ปรุเสกอาจารย์ขึ้นมาคนใดคนหนึ่งเป็นพระอาหารหันต์ข้ากับเนียบพระอาหารหันต์อะไรแต่ไหนแล้วถ้าเราลองสังเกตนะฮะว่าเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่หรือเปล่าท่านหลักที่ปรุเสกกันมากมายกายกองไงฮะคนห้อมล้อมกันเป็นหมืนม่นๆ ก็เป็นพระหานอย่างนั้นอย่างนี้เก่งกาจอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นทำเนียบพระหานพิมพ์หนังสือเผยแพรก่กันสร้างรูปมาจำนายมาแขวนคอกันแต่ปัญหาเหานี้พระพูดไม่ได้พอพระพูดทุกสิก็จะหาว่าพระริษยากเลยก็กลายเป็นเป็นกรรมรก้อสันหลบไป ในการมีสีเนี่ยมันก็ต้องเป็นการจิตสนกทติต่อเนื่องวันก่อนเนี่ยมีพระนวากะาที่บังบวชสิบห้าวันมาได้ไปประทมนิเทศได้วันเดียวพอดีป่วยอีสองวันก็ไม่ได้ไปแต่เขาก็สนใจติดใจเขาบอกว่าเขาจะนำคนมาคนงานมาฟังเทศได้ไหม ควางการบรรยายสรุปอย่างนี้ได้ไหมบอกก็ได้นับไปเลยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ตรวจสอบตัวเองไม่เคยคิดว่าคนโลกควรจะรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลเดี๋ยวเพิ่งรู้ตอนเนี้ยเพิ่งรู้ตอนปวดมาก็เลยก็ยั้งเตือนไปบอกว่าคุณถ้าคนในโลกรักษาศีลห้าได้แล้วสงบแล้วโลกไม่ยุ่งแล้วไม่ต้องไปนับ 1, 2, 3、4สองสามสีอะไรมากมายก่อเอาศีลห้าได้ก็ได้ หรือแม้แต่ว่าเมตตาทมคำจุนโลกเนี่ยเอาข้อเดียวให้ได้เลยปัญหาเหล่านี้คือปัญหาการมีสีเนี่ยมันมันเยอะมันแสดงเล่มายาต่างๆนะแม้แต่ในกิจกรรมกิจกรรมเหบเนี้ยกิจกรรมช่วยบรรเทาสาธารณภายัยเราเจไม่พวกสวมรอยเนี่ยไปเยอะอยู่กันนั้น ก็ทําให้พวกที่ตั้งใจจริงเสียสละจริงจริงเนี่ยรอยถูกมองด้วยความสงสัยทางทางที่พวกอาสาสมัครเหล่านั้นจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยทำงานแบบถวายชีวิตเลยนะไม่ได้มองว่าตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรเป็นเงินเป็นทองอะไรแต่เป็นความสุขที่ได้ทำเหะือ น, นคนทําความดีเพราะเห็นว่าเป็นความดีนี่มีเยอะแต่ว่า พวกมายาพวกเสแสร้งพวกโอ้อวดทั้งหลายเนี่ยพวกสวงหาประโยชน์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นตอนการมีสีเนี่ยจึงต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันแล้วไม่ใช่อยู่ร่วมกันไปเดี๋ยวประดาวหรือว่าลูกศิษย์เขาบอกให้หรือว่าตัวอาจารย์บอกหรือตัวอาจารย์แสดงไม่ว่าพระฤาคารวาแตนะ่ละไม่พระฤาคารวา่าเพราสิ่งเหล่านี้เราจะลืมว่ามันโปรโมทกันได้ ที่ปลูกเสกกันได้แหละยุคสมัยนี้นปลูกเสกกันเยอะคนที่ปลูกเสกขึ้นมาเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไร่ะไรสารพัสเราก็หายตัวดีไม่เคยเสียแต่บางทีก็สื่อมวลชนว่าปลูกเสกกันขึ้นมาคนนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นดีอย่างโน้นเพราะเราต้องใช้ความคิดเอ ง, ง, งต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันเราต้องคอยสังเกตคอยตรวจสอบคอยทดลอง คือถ้าจะเอาจริงเอาจังกันเนี่ยต้องถึงระดับการทดลองเช่นว่าไปให้ไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆดูเขายัางรักษาสีมีได้หรือไม่อย่างในซาดกพระพุทเจ้าเล่าเองนะรูสีเคร่งขนาดว่าเศษ อ, อะไรละ่ะเศษแฝกเศษอะไรที่จิตปิดจัก ที่เขาใช้มงคลงคานะก็ติดสะดาไปเอามาคืนบอกกลัวจะเป็นอบัตรกลัวจะเป็นบาปเป็นลักทรัพย์พระโพธิสัตว์ท่านมองเห็นมันเมอนเบอร์มากเลยแล้วสอบถามมรุสีตัวเนี้ยคุณมอบหมายอะไรให้เขาดูแลหรือเปล่าเจ้าของก็บอกว่าก็ทรัพย์สมบัตินี้ฝังไว้ที่อาสมมรสีทั้งหมด กบางใจว่าท่านจะรักษารัตสุบัติไม่ได้ศรัทธาท่านบอกคุณวันนี้ไปแสดงว่าฤาษีเกิดโลกแล้ ว, วที่แสดงเนี่ยมันมันเพ่งเกิดเหตุเ่าไปก็กำลังขุดอยู่พอดีขุดอยู่พอดีก็ดีไปทันนี่คือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการมีศีลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ โดยเฉพาะสีในเงี้ยเราเรารู้ได้ยังไงบางทีที่เขาโอ้อวดกันไม่นอนกับเมียอย่างเงี้ยโอ้อวดคนก็โอ้ยเคารมนันเถืกันแฉนยกย่ยองเชิดชูกันมันเป็นอะไรขึ้นมาคนไม่นอนกับเมียเยอะไปคนไม่มีเมียเขก็ไม่นอนกับเมียคนรักษาสีนแปรเขาก็ไม่นอนกับเมียมันไ ม, มนน่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าคนหลงทางเนี่ยคนหลงทางคนไม่เข้าใจแม้แต่เรื่องสีมันพิสูจน์ พิสูจน์ถึงวุฒิภาวะของชาวพุทธว่าแม้แต่ศีลแปดยังไม่เข้าใจแล้วเราไปไปพิสูจน์ได้ยังไงแลง้วมันน่นได้อะไรขึ้นมาแล้วก็ได้ก็ได้เฉพาะตัวคนนั้นถ้าเขาถ้าเขาปฏิบัติได้จริงๆเนี่ยมันเป็นผลบุญเฉพาะคนนั้นแล้วเราต้องการจะได้จะมีจะเป็นเนี่ยจะเท่าทรนั้นเป็นเกณฑ์นเนี่ยมีเยอะไปคนที่คนเขาลบลุ่ยชาคนเป็นโสดทั้งหลายทั้ผู้หญิงผู้ชาย เขก็ไม่นอนกับคู่ครองผู้คนไม่เคยได้คิดนะเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้จึงถือเป็นหลักการสําคัญว่าทรงวางหลักใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงนะใช้หลักอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าว่าต้องอยู่ร่วมกันนานนะแล้วก็ไม่ใช่อยู่กันเพียงระยะสันส้นๆแล้วต้องคิดมีระบบในการคิดในการตรวจสอบในการเทียบเคียงในการพิจารณาไม่ใช่ว่า บอกเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ทุ่มเทลงไปเลยแล้วต้องใช้ปัญญาโยานิสมฆ์นในการเป็นปัญญาอยู่แล้วนะแล้วปัญญาในการจำแมกแจกแจ๊กเทียบเทียงนะทดสอบทดลองอะไรต่างจําเป็นจะต้องมีแล้วจึงจะสามารถจะรู้ได้นี่หลักการหลักการหลักการใหญ่นะเป็นหลักการทางสังคมที่จะให้คนถูกต้น้นน้อยลง มันไม่ใช่กําหนดว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนดีอย่างพู้บอกเองเนี่ยที่จริง word. เป็นคนโอ้อวดเปคนโอ้อวดมันไม่ใช่คนดีหรอกบอกว่าตัวเองมีศีลอย่างเงี้ยในการโอ้อวดบางทีมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วอ่ะเช่พระมันไม่ต้องบอกอ่ะถ้ามีมีหน้าที่ต้องรักษาศีลอยู่แล้วการไม่มีศีลนี่ยเป็นความบกคร่องการมีศีลเป็นหน้าที่ที่จะต้องทํา ไม่จำเป็นจะต้องบอกใครเป็นภารกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบคนนั้นเองทุกฝังเทายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมยู่มีแด่ท่านทุกฝังเท่ายโดยทั่วกันสวัสดี